ขน้อมน้อมต่อคุณพระธนไทรโทกาศพระอาจารย์ทรงศิลเพื่อนสลัมมิทุกท่านจเจริญธรรมนนะแม่ฉชีและญาติธรรมทุกท่านเนา ะ, ะเมื่อกี้เราได้สวดพระสูตรที่มีความสำคัญมากนะเป็นอันดับสองรองลงมาจากธรรมจักกับพระพุทสูตรเพราะว่าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักแล้วเนี่ย ก็คือมีสาระสําคัญในการที่ว่าเห็นส่วนตุดสุดโตรงสองอย่างก็คือความที่เป็นอาการมาสุขขัิกานุโยคว่าสิ่งเราเนี่ยคือการที่คนเราไปสแสวงหาความสุขต่างๆไม่ใช่หนทางแห่งความพ้นทุกข์นะแล้วก็ส่วนสุดอีกทางหนึ่งก็คืออัตตะกิริมัฐานุโยค ก, ก็คือการที่เราไปาทรมานตนเองทําให้ตัวเองได้รับความทุกข์ต่างๆ ก็ไม่ใช่หนทางแห่งความนทุกข์นะก็เป็นทางสายกลางนะก็คือมรรคมีองคแปดนะเราหลังจากนั้นก็ทรงแสดงริยสัตว์ในความทุกข์ความทุกข์มีอย่างไรบ้างคนเราประสบความทุกข์อย่างไรเช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นความทุกข์การที่เราปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นความทุกข์ าการที่เราพัดภาคจากของรักของชอบใจก็เป็นความทุกข์แล้วก็ว่าโดยย่อขันหังห้าอุปาทานขันห้านี่ก็เป็นตัวทุกข์อันนี้ก็คือความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ให้เราเห็นแล้วก็ทรงบอกอยู่ว่ า, าความทุกข์นี้ก็เป็นสิ่งที่เร า, าจะต้องเห็นนะต้องเห็นความทุกข์ไม่ได้บอกให้ละ อันนี้ก็คือในปริวัตรสามอาการ12บที่พระเจ้าสรุปในทีหลังนะแล้วก็สมุทัยก็คือสาเหตุความทุกข์ะไรก็คือยายังตันหาโปโนโภวิกานันทิลาคะสากตาตัตระตตลาพินันทินีนะก็คือความเพลิดเพลินไปในอารมณ์ทั้งหลายนะเพลิดเพลินอยังยิ่งอันเป็นเหตุให้มีการเกิดอีกเสยทิ่ทั้งได้ก่สิ่งเหล่านี้คือ กามตัณหาก็คือความเพลิดเพลินไปในกามในรูปรดกลิ่นเสียงโผฏฐะพระธรรมลมภาวะตัณหาก็คือความที่อยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายแม้แต่เราอยากจะได้ขนทางในการปฏริบัติธรรมมีสติมีสมาธิมีปัญญาต่างๆอันนี้ก็จัดอยู่ในเป็นกามตัณหาทั้งหมดที่พระอาจารย์เบสานก็แสดงไว้ นะที่เราฟังกันว่าออไม่ได้ปฏบัติเพื่อที่จะได้ให้ใหได้อะไรนะเพราะการที่เราอยากได้อะไรก็เป็นตัณหาในตัวอยู่แล้วนะต่อไปก็เป็นวิภาวตัณหา ก, นะก็คือตัณหาในความที่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นทั้งหลายก็คือการทักใสอารมณ์ต่างๆสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะเช่นความโกรธความรักความชังอันะนี้ก็เป็นวิภาวตัณหา อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องละนะเพราะนั้นอ่าในปิวัตสาบุคเจ้าบอกว่าอตัณหาก็คือสมุทัยนั้นเป็นสิ่งต้องละนะก็คือละที่ตัณหานั่นเองแล้วต่อมาก็บอกว่า่นิโรดนิโรดคืออะไรนะก็คือโยตัสสาเยวะตัณหาย า, าเสสะวิลาคะนิโรโทโจาโคปฏิมสาโคมุตินาโย นนีิโรกก็คือการที่ดับตันหาโดยไม่เหลือนั่นเองก็คือเกิดวิราคะก็คือการคลายออกจากตันหามุตติคือการดับไม่เหลือของตันหาจาโคคือการสละออกตันหาปฏิสโคการสละคืนของตันหาอนารโยการทําให้ตันหาไม่มีที่อาศัยนั่นก็คือการที่ทําให้ตันหาดับไปจากใจนั่นเองก็คือการที่ละตันหานั่นแหละเมื่อละตันหาแล้วดับได้เด็ดขาดแล้วเกิดการคลายออก ของตันหาแล้วเนี่ยก็จะเป็นนิโรธนะเพราะฉะนั้นการที่เราเปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เพื่อเข้าสู่ตัวเวลาคะก็คือการคลายออกจากการยึดมั่นในขันท่านั่นเองนะอันนี้ต้องจับประเด็นให้ได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่เวลาคะก่อนแล้วต่อมามักนะมักก็มีองค์8นะสัมมาถถทิฏฐิเป็นความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปมีความดําริชอบสัมมาวาจานะก็คือเจรจาชอบ สัมมารกรรมมันโตการงานชอบสัมมาชีวโวอาชีพชอบสัมมาวายามโมมีความเพียรชอบสัมมาสติมีความระลึกชอบสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบนะเมื่อเรามีอ่ามีการเจริญในอริยมรรคมีองปนี้แล้วนะจิตก็จะเริ่มเข้ามาเห็นความจริงในความอ่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาทั้งหลายนะก็คือเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเห็นในสิ่งเหล่านี้นะว่าเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาอย่างไรนะ อันนี้ก็จะไปสรุปอีกทีหนึ่งในอนัตตลกณาสูตรนะเมื่อจิตเห็นตรงนี้เลิกจิตก็จะเกิดวิลาคะก็คือการคลายออกจากความยึดติดในขันธนะ์ห้าหลังนั้นก็จะเบรรลุเป็นพรรยาเจ้าเป็นพระหันไดนะ้ก็คือตรงนี้ที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในธรรมจักเมื่อทรงแสดงแล้วก็ปรากฏว่าภรอัญญาโกนัญญาก็ได้เกิดนะยังกินจิสมุทธยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมติ ก็คือเห็นว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงก็มีความดับไปเป็นธรรมดานะเมื่อได้เห็นตรงนี้ก็คือดวงตาเห็นธรรมในความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของทุกสภาวธรรมนะจิตก็เลยเกิดการคลายความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนออกก็เลยบรรลุเป็นพระโสดาบันนะและหลังนั้นทุกๆองค์ก็ค่อยๆบรรลุเป็นพระโสดาบันมาตามลําดับนะแต่ก็ยังไม่มีผู้ใดบรรลุเป็นพระอรหันต์เลย หลังนงั้นต่อมาพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสแสดงอนัตตลักษณะสูตรที่เราได้สวดไปเมื่อสักครู่นั้นแหละเมื่อทรงสแสดงอนัตตลักษณะสูตรแล้วจิตที่ยังยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนที่ละเอียดลึกลงไปนะแล้วก็ในสภาวะธรรมต่างๆเช่นมานะอัตตาต่างๆอวิชชาทั้งหลายก็ดับไปจากใจนะก็เป็นการบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดจากการฟังอนัตรรรตลักษณะสูตรนี้ เพรา ะ, ะนั้นจึงถือว่านัตตลักสณุสูตรนี้เป็นพระสูตรที่สําคัญมากเป็นจุดสุดท้ายนะที่ว่าจะชะําระอชําระใจของเราให้ถึงซึ่งความขาวรอบที่แท้จริงเป็นเป็นการที่เราละความยึดมั่นอถือมั่นทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดนะันกตละลักนาสูตรก็มีอาสาระสําคัญที่ว่านะดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูป รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่างไรนะรูปก็คือกายนี่แหละคือที่เราเห็นทั้งหมดเลยทุกทุกท่วนที่เราเห็นด้วยสายตานั่นแหละคือกายทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกายภายนอกหรือกายภายในกายภายนอกก็คือเนี่ยผมคนเล็บฟันหลังกายภายในก็เป็นเอ็นกระดูกเลือดเนื้อหัวใจตับปอด ต่างๆที่อยู่ภายในนะอันนี้ก็เป็นรูปทั้งหมดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็คือนามนะก็คือจัดในส่วนของอเป็นนามหรือส่วนของจิตใจนะเวทนาก็คือความสุขความทุกข์หรือความเฉยเฉยสัญญาคือความจำได้หม่รู้สังขารก็คือความเลึกคิดปรุงแต่งต่างๆวิญญาณ น, นะก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่น จากสูวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาชิว้าวิญญาณการรับรู้ทางลิ้นเป็นต้นก็คือการรับรู้ เ, เมื่อรับรู้เกิดขึ้นแล้วก็ส่งสัญญาณ น, นั้นมาที่ใจใจก็จะเกิดเวทนามีทุกมีสุขตามมานะหลังนั้นก็จะเกิดตัณหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายตามมาเพราะนั้นสัญญาณ น, นี่แหละก็เพราะนั้นวิญญาณก็คือการรับรู้ต่างๆเนาะ เพราะในพุทธานานี่วิญญาณนี่จึงหมายถึงความรับรู้นะแต่ว่าบางคนก็ไปตีความวิญญาณไปเป็นอ๊บไปเป็นอ๊บปาติกะเป็นผีทั้งหลายอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นก็เรียกว่าเป็นโอปาติกะนั่นเองนะก็คือจิตวิญญาณที่ลองรอยไปนะส่วนคําว่าวิญญาณทั่วไปในพุทธานาก็หมายถึงว่าอาญานะที่เกิดการรับรู้เกิดพัฒนาเกิดก็จะเกิดวิญญาณนั่นเองเนาะ พระเจ้าก็เลยแสดงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้อ่าถามภิกษุปัญญวิคีว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรืออจะตามเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนของเราอ่า ไม่ควรตามคิดเช่นั้นพระเจ้าข้านะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่นะไม่ใช่ตัวเมตตนก็คือความเป็นหนตานั่นเองนะเมื่อมีความไม่เที่ยงนะในงนะกายเวทนาจิตธรรมนะในรูปรสกลิ่นเสียงกลดพะนั้นะหรือในรูปเป็นอาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ที่ปรากฏทั้งหมดนะมันก็คือความไม่เที่ยงนะสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นนะมันจะเป็นความทุกข์ นะความทุกข์ก็คือความที่มันทนในสภาวะเดิมไม่ได้นะสิ่งที่ทนในสภาวะเดิมไม่ได้ก็คือความเป็นทุกข์ทั้งหมดนะเพราะนั้นสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะล่ะพระพุพ so called, ทธเจ้าก็เลยถามว่าสิ่งเหล่านั้นมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามีความไม่เที่ยงนะและมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือจะตามคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราภิกนษะุก็เลยตอบว่าไม่ควรที่จะคิดเช่นนั้นพเจ้าข้า เพราะว่าถ้าบุได้ไปยึดในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็เป็นตัวตนของเราแล้วอันนี้มันก็เป็นสภาวะที่มันเป็นไปไม่ได้นะอมันเป็นไม่ได้เลยนะเพราะตัวตนเรามันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วแล้วเราจะไปยึดในสภาวะธรรมต่างๆว่าเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรนะเมื่อเข้าใจในสภาวะธรรมทั้งหมดนั้นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาแล้วอจิตก็เลยหลุดพ้นจากการยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นั่นเองเมื่อบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาก็จึงไม่เที่ยง อ่าเป็นทุกข์แล้วก็อ่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ตนเนี่ยเมื่อสรุปได้เช่นนี้แล้วอ่าก็ทรงแยกแยะออกไปในรายละเอียดย่อยต่างๆในรูปเว็นาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่างไรอ่าหลังจากนั้นก็อ่าเมื่อสรุปแล้วทั้งหมดก็เป็นความที่ว่าเป็นอ่าภิกษุก็ได้เห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งหมดไม่ใช่ตัวไม่ตนจริงๆเพราะาบังคับบัญชาก็ไม่ได้แล้วหลังนั้นก็บรรลุปเป็นพระอัลหันทั้งหมดเลยเนาะ เพราะนั้นเมื่อสรุปอีกครั้งหนึ่งว่ า, ารูปเนี่ยก็คือรูปนะเวนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือนามเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันก็คือเป็นรูปเป็นนามนะเราก็เห็นว่ากายและใจนั้นจริงๆแล้วก็เป็นแค่รูปแค่นามทั้งนั้นนี่ถ้าเห็นว่าเป็นแค่รูปแค่นามความยึดติดว่าเป็นร่างกายของเราเป็นจิตใจของเรามันก็จะเบาลงนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะเราจะเห็นว่าหลวงป่อเทียน ในวันที่ท่านบรรลุธรรมนะอ่าตอนเช้าเนี่ยท่านก็นั่งอยู่แล้วก็ปรากฏว่ามีแมงป่องตกลงมาอคือตกลงมาจากข้างบนนะลงมาที่เท้าของท่านแล้วก็มีลูกลูกแมงป่องอกระจัดกระจายอยู่ด้วยนะที่บริเวณเท้าที่บนเท้าของท่านเลยนะแมงป่องนี่เป็นสัตว์ที่น่ากลัวนะเพราะมีพิษนะที่ร้ายแรงนะในขณะลงหลุมพ่อเทียนก็เกิดเห็นเลยว่าแมงป่องนั้นนะก็เป็นแค่ลูกแค่นาม เท่านั้นเองนะตัวท่านก็เป็นรูปเป็นนามเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ต่างกันว่าแมงป่องกับท่านต่างกันเพราะว่ามันก็เป็นแค่รูปแค่นามเหมือนกันจิตท่านก็เลยนก็เลยเข้าใจธรรมะในขณะนั้นเลยว่าเออมันก็เป็นแค่รูปแค่นามเองนะหลังจากเมื่อเข้าใจในสภาวะธรรมนั้นแล้วจิตก็เลยคลายจากความยึดติดว่าเนีเป็นรูปของท่านเป็นกายของท่านก็เป็นแค่รูปแค่นามนะซึ่งคําว่ารูปกับนามก็คือความเป็นกลางๆไม่ใช่ตัวเมตตนของเรา ก็เลยคลายความยึดติดไปนะแล้วในตอนเย็นท่านก็เดินจงกรมท่านก็เดินจงกรมกลับไปกลับมารู้สึกไม่มีใครมาผักบันเอวอ่ะครังหนึ่งผักบันเอวท่านก็เออเหมือนกับคลายๆผักบันเอวอ่ะพอเดินอีกสักพักหนึ่งก็มีเหมือนกับใครผักบันเอวอีกท่านก็เลยรู้ว่าเออในนี้คือความคิดนั่นเองนะท่านก็เริ่มเห็นความคิดอ่ะเห็นความคิดปุ๊บก็เหมือนก็มีใครมาผักบันเอวนั่นแหละท่านก็เลยเข้าใจว่าตรงนี้มันก็เป็นแค่เป็นความคิด เท่านั้นนะเราก็ไม่ติดในความคิดแล้วก่อจาความคิดเพราะความคิดก็เป็นนามเหมือนกันนะตรงนี้เกิดจากการที่ท่านเข้าใจในรูปนามกระเช้านั่นแหละท่านก็เลยเข้าใจความคิดะว่าความคิดก็เป็นสักเลยว่าความคิดคิดไม่ตัวเม่ตนก็เป็นแค่นามเฉยๆนะท่านก็เลยหลังนั้นท่านก็เข้าใจธรรมะแล้วก็อถึงขั้นที่เรียกว่าสามารถที่จะนำมาเคยแพร่เป็นลักษณะที่เราได้มาศึกษาในทุกวันนี้ก็เกิดจากการที่เห็นรูปเห็นานามมาก่อนนะ เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องรูปแามเรื่องนามแล้วเนี่ยการมาทำก็จะง่ายขึ้นนะการไปรูปเห็นรูปเห็นนามนี้นะจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเราสามารถเปรียบเทียบได้ไม่ยากเลยนะบางทีถ้าเราเข้าใจในตรงนี้เราก็เห็นว่าเออบางทีอ่าไก่บ้างนะไก่ที่อยู่ใกล้ๆเรามันก็เป็นแค่รูปแค่นามอ่าสุนัขที่วิ่งผ่านไปวิ่งมามันก็เป็นแค่รูปแค่นามนะหรือเรากลัวตุ๊กแกตุ๊กแกก็เป็นแค่รูปแค่นามนะหรืองูก็เป็นแค่รูปแค่นามนะเราก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันนะ พระก็เป็นร okay. huh. ูปเป็นนามโยมผู way, ้หญิงก็เป็นรูปเป็นนามโยมผู้ชายก็เป็นรูปเป็นนามเด็กก็เป็นรูปเป็นนามทุกคนก็เป็นรูปเป็นนามหมดมันก็ไม่มีอะไรต่างกันเลยมันก็เป็นแค่รูปแค่นามเพราะนั้นเราก็จะไม่แตกต่างอย่างเขาเพราะนั้นการที่จะยึดมั่นตัวถือมั่นในตัวตนเราก็จะลดน้อยลงไปเข้ามาดาเราก็แค่ด่ารูปแค่นามเท่านั้นเองนะไม่ได้ด่าเราเป็นการด่ารูปนามเท่านั้นเองเมื่อใจวางได้ในระดับหนึ่งแล้วนใจก็จะเริ่มค่อยๆที่จะคลาย ก็คือเริ่มเป็นวิราคะมากขึ้นว่าทุกอย่างนะมันก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันก็เลยคลายตัณหาออกมาเนี่ยมันเป็นการคลายไปตามลําดับเลยน ะ, ะตรงนี้จึงว่าการบรทำทั้งหมดก็เพื่อให้เราเข้ามาเห็นในสภาวะวาความเป็นอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงทุกขังก็คือความทนอยู่ไม่ได้แล้วก็นาัตตา ก, ก็คือเราบางังคับบัญชาเขาไม่ได้นะถ้าเราบางังคับบัญชาเขาได้ก็แสดงว่าเขาก็เป็นตัวเป็นตนนั่นเองนะเราจึงบงังคับบัญชาเขาได้ แต่เมื่อเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เพราะเขาแสดงความไม่เที่ยงความทุกข์เราเห็นแล้วนะมันก็จึงไม่ให้ตัวเมตตนของเราเนี่ยถ้าเราเข้าใจช น, นี้เราก็วางได้หมทั้งหมดนะมันที่หลวงพ่ออ่าคำเขียงนั่นก็จะเป็นสภาวะธรรมนี่ให้เราเห็นว่าท่านก็ไม่เป็นอะไรกับไรนะั้นก็จะพูดบ่อยๆอ่าอย่างที่เราก็ฟังอ่าซีดีเมื่อไม่กี่วันมา น, นี้แหละหลวงพ่อบอกว่าการที่เห็นว่ามันไม่เป็นอะไรกับไรนี่เป็นสุดยอดแล้วนะ สุดยอดเลยนะก็การที่เห็นว่าไม่ไม่เป็นอะไรกับไรนั่นก็คื อ, อการที่มันปล่อยวางนั่นเองจากการยึดมั่นนะในความเป็นตัวตนนี่แหละมันจะมาเข้าสู่ในตรงนี้นะเมื่อมันเกิดการปล่อยวางมันก็เกิดนิพินทางวิลชติก็คือการที่เราเบือนะบ่อหน่ายนะเบื่อหน่ายคลายกําหนัดนะในความเป็นตัวเป็นตนนี้เพราะมันเห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นผิดตามก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกําหนัด เมื่อใครกำลัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยที่พระปัญญวิคีในสุดท้ายเนี่ยท่านก็นิพนธ์ชังวิราชิตนะก็คือจิตการเบือนเกิดการเบือนนายก็เกิดการหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นได้ก็เป็นพระรหัสเลยเพราะการบิบัติธรรมนั่นก็เพื่อให้จิตเกิดความเบือนนายไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นการละคายจากสภาวะธรรมที่เราเคยยึดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วเนี่ยมันก็จะคลายทุกอย่างนะเพราะการเริ่มต้นไม่ใช่เราไปบิดเพื่อที่จะละอะไรนะไม่ไปบิดเพื่อจิตละ คนอื่นเพื่อจะละ ส, ะสมบัติเพื่อจะละลูกละเมียะละสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราแต่เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะให้เห็นกลับมาตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเมตตนที่ของเราเนี่แหละมันก็จะเกิดการละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้นะเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้แล้วเนี่ยความยึดมั่นในสิ่งอื่นสมบัติในบุตรภรรยา ในสามีในสิ่งต่างมันก็พลอยหมดจากความยึดมั่นถือมั่นไปด้วยพระจิตมันเริ่มคลายออกแล้วนะมันจิตจะเริ่มคลายออกเมื่อจิตเริ่มคลายออกแล้วเนี่ยนั่นแหละก็คือการที่เราเริ่มได้ขนทางที่จะเข้าสู่พระรยเจ้าในตรงนี้นะนมันเป็นสิ่งที่ว่าเราค่อยๆเกิดปัญญามาตามลําดับะจากเมื่อก่อนที่เราจะมีการกระทบกระทั่งเราจะทนไม่ไหวใครเข้ามานินทาเรามาว่าเราเราจะทนไม่ไหวนั่นแหละเพราะเรายังมีความยึดมั่นในตัวตนในเยอะ นะพอมีใครมาชมเรามายกย่องเราเราก็ดีใจเนะพราะเราจะมีความยึดมั่นในตัวตนเยอะนะแต่พอหลังจากที่จิตเริ่มเข้าใจแล้วนะเวลาใครเข้ามานะนิ้นนินทาเรามาว่าเราเราก็เริ่มที่จะปล่อยวางได้มากขึ้นคือใจมันจะเริ่มปล่อยวางด้วยตัวเขาเองนะเราก็ไม่ต้องไปปล่อยวางหรอกใจเขาเริ่มเริ่มเข้าใจความจริงในสภาว่ที่เขายึดติดมาตั้งนานแล้วนะว่าเป็นตัวเป็นตน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาก็ค่อยๆวางของเขาเองนะเขาก็เฉยๆเขาก็ไม่ไปยึดอะไรเยอะ นะใครมาชมเราเขาก็ค่อยๆวางเขาเองอยู่ในตัวแล้วนะนี่เขาเรียกว่าเราก็บรรลุทําไปตามลําดับนะตรงนี้จิตมันจะค่อยๆวางไปตามลําดับโดยเราไม่รู้ไม่รู้ตัวนะเหมือนกับที่พระเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่านะเหมือนกับช่างไม้คนหนึ่งเขาก็ทําการทําการทํางานด้วยขวานนะอ่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าด้ามขวานมันสึกไปวันละเท่าไหร่แต่เมื่อใช้ไปนานๆก็เริ่มเห็นว่าด้ามขวานก็เริ่มสึกไปบ้างแล้วนะ เพราะนนกา ร, การาาไปฏิบัติรมไม่ใช่ว่าเราต้องเห็นว่าเออเราปฏิบัติแล้วกิเลสเราต้องลดไปวันละเท่าไหร่ความยึดมั่นลดปลปเป็นลงไปเท่าไหร่ไม่จําเป็นนะแต่หลังนั้นถ้าเราปฏิบัติได้ถูกทางแล้วนานไปเราจะเเห็นว่าความยึดมั่นเราก็เริ่มจะลดลงกิเลสเราก็เริ่มจะลดลงความโลภความโกรธความหลงก็เริ่มจะลดลงนี่ละมันก็เรียกว่าเราละกิเลสไปตามลําดับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะแต่เราจะสังเกตในตรงนี้ได้เพราะนั่นการเป็นพระรยาเจ้านั้นจึงไม่ใช่การยากลําบากนเพาะ เมื่อไม่นานก็มีคนมาคุยกับอาตมาบอกว่ามันมันเป็นไปไม่ได้เลยมันยากมากในการที่เราจะบรรลุธรรมหรือถึงพระนิพพานในชาตินี้เป็นไปไม่ได้เลยก็บอกว่าจริงๆแล้วคนที่ปารฒนาพระนิพพานนะคนตั้งใจพระนิพพานบรรลุพระนิพพานในชาตินี้เป็นคนมีมารมีทุกๆคนถ้าใครตั้งใจแล้วเนี่ยมันไม่ยากแล้วว่าจิตมันก็จะเป็นไปตามลำดับของเขาเองจิตจะก็ค่อยปล่อยค่อยวา ง, ขงเขาเองถ้าใครพัฒนาพระนิพพานนะเขาก็ จิตก็จะเริ่มรู้ว่ามันเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นนะเป็นรูปรสกินเสียนจะไม่ไปเพลิดเแบบสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนก็เรียกว่าสวนเสเฮหาเพลิดเพลินสนุก น, นั้นแต่เมื่อจิตปัตนานพันิพาลแล้วก็จะค่อยๆวา ง, งเขาเองเนะมื่อเราอยากจะสอบได้ที่1นึ่นั่นแหละเราก็คงไม่ไปเที่ยวดึกเดินๆนะไม่ขี้เกียจเพราะเราปันานจะสอบได้ที่1เราก็ตั้งใจดูสื่อของเราเองนะก็เหมือนกันถ้าเราปัตนานพันิาพาลก็คืออยากได้ที่1จิตก็จะเริ่มขวนขวายในการที่จะเข้าใจธรรมะในการจะปล่อยจวักของเขาเอง เพราะนั้นมันจึงเป็นไม่ไม่ไม่ไม่ยากนะครูนะบาอาจารย์ท่านก็เป็นตัวอย่างเราเห็นแล้วว่าเออแม้การปฏิบัติธรรมในสายล่งวัเทียนนี้ที่ไม่มีการหลับตานั่งสมาธินะแต่ก็บรรลุทำกันได้นะอย่างครูบาอาจารย์ที่เราเห็นเ <c oughs> ห็นกันอยู่ท่านก็ไม่ยึดมัน่นถือมันอะไรท่านก็ไม่อะไรกับอะไรเพราะฉะนั้นะมันก็เป็นหนทางที่ว่าเราเดินตามรอยขอยงท่านได้ถูกทางไหมนะถ้าเราเดินถูกทางเราก็มีโอกาสที่จะเป็นเช่นท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นสะิ่งเหล่านี้ก็เป็นกําลังใจกับพวกเราว่าถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์ท้าจะยังอยู่หรือไม่อยู่ ก็ไม่เป็นไรอยู่ตัวเราว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่จะเดินได้ตามทางของท่านในได้ถูกทางไหมเราละการยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามนี้ได้ถูกไหมเราเกิดความเบื่อหน่ายไหมตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่านะเพราะฉนั้นก็ขอทุกท่านนี้นะเข้าใจเถิดว่าเรามีบา ร, รมีแล้วที่ได้มารวมกันณที่นี้นะแล้ะนี้ก็คือขันหนทางที่เราจะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแน่นอนนะ เพราะนั้นในโอกาสแห่งมหาสงการในปีนี้นะบางท่านอาจจะเดินทางกลับในวันนี้ก็มีแล้วก็ขอบารมีแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายลประสบแต่ความสุขความจเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนาสารสมบัติและจะเดินด้วยสียงสติสมาธิปัญญาละถึงซึ่งผิพานโดยเร็วผานลูกทั้งเทิน